ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังพูดเรื่องอากังขยสุติที่พระภูมียภาคเจ้ารับสั่งเรียกปิตุทั้งหลายมาแล้วท่งแสดงถึงความหวังประเภทต่างๆ ว่าถ้าเราหวังอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะสมหวังแงม้วความความหวังนั้นก็มีลักษณะคล้ายคล้ายกับนิโรธสัตร์แต่ว่านิโรธสัตร์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการปฏิบัติตำหลักของม า, การกษะดังนั้นความหวังเป็นจำนวนมากคือสิบข้อที่ยกมาแสดงเนี่ย รู้จะทรงแสดงเหตุชุดเดียวก็เหมือนกันทุกข้อตเตานั้นบ ร, รมองโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาในกล่าวแล้ววันก่อนก็ได้พูดมาถึงความหวังที่เก้านี่ต้องการเป็นประสดบัน ที่10เนี่ยต้องการเป็นปสัสกาตคามีที่สิบเอดนี่ยต้องการเป็นพระนาคามีทั้งหมดได้ทรงสแสดงเหตุเหมือนกันว่าที่สุดนั้นควรเป็นผู้ทำให้บริบูรณในศีลประกอบทำเครื่องสงบของจิตอันเป็นไปในภายในก็คือสมาธิ แล้วก็ไม่เหินห่างจากฌานคือหมายความว่าบำเพ็ญสมาธิจนเข้าฌานไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาในแง่ของวิปัสสนาจะเด็ดความจริงตามกฎของประัยลั์แล้วก็ลดละกิเลสลงไปโดยดำดับ โดยเฉพาะในที่นี้ก็เน้นไปที่ตัณหามาณนทิบฐิในขณะเดียวกันก็ต้องยินดีในที่สงัดเงียบที่เรียกว่าสุญญากาศอันาาแบบนี้คือตัวเหตุที่จะทำให้เกิดผลตั้งเท่าไหร่ตั้งสิบเอ็ดประการในกราแล้วในประการที่สองนั้นรับสั่งว่าถ้ามิสูจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวพึงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนพึงเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ตะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พูดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้พึงเดินบนน้ำไม่แตกแยก เหมือนเดินบนดินก็ได้หอบไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ดูครัมประจันราชิตที่มีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ชามหน้าทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เถิดนี่ก็หมายความว่าพวกนี้เป็นอิทธิวิธีเป็นเรื่องอภินญาอภิญญาเขาก็มีหกนะครับแล้วข้อนี้ก็เป็น ก็อิทิวิธีเป็นคุณสมบัติชีคือถ้าถ้าห้าข้อเนี่ยยยเวนอาโซขยานก็สามารถจะเกิดขึ้นแก่ระยะบุคคลที่โ ด, ดหลั่นลงมาหรือแม้แต่สามัญชนทั่วไปเจตผู้ฤๅษีชีปลายทั้งหลายเนี่ยท่านก็ได้อิทิวิธีอย่างนี้ สามารถพอเหินเดินอากาศได้สามารถอะไรอะไรต่างๆได้คือทำแนวก็สินนะเจนต้องการจะเดินบนน้ำก็เพ่งน้ำเป็นดินก็เดินไปได้หรือจะต้องการดำลงไปในดินก็เพ่งดินเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำสำหรับท่านคืออทธิฤิเหล่านี้เป็นเป็นผลพลอยได้ รอะได้ที่เกิดขึ้นจากการมันเป็นเพียนไม่ใช่ตัวเนื้อหาสาระจริงๆแต่ว่ามันก็ทำนองใกล้ๆกับเราเดินทางนะครับประต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าไปเจออะไรอีกเยอะก่อนจะถึงที่สถานที่เห่านั้นหรือผลจากการปฏิบัติธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนั้น แน่นอนโดยเนื้อหาสาระเราก็ต้องการที่จะให้กิเลสมหมดหมดแต่ว่าการหมดกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสิ่งดีงามอีกเป็นอันมากเพราะเหตุต่อไปก็คือกุศลธรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นภายในจิตก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางจิต ตำนองรกล้ๆกับเราหยุดแสงสว่างขึ้นทำกลางความมืดก็ตระการในหนทางแต่พอจุดก็จริงปรากฏว่าเจออะไรต้องมีอะไรอีกมากมายใกก็งนพพวกแนวความรู้พิเศษเหล่านี้พวกอภิญญาเนี่ย แต่นี้ก็คืออิทธิพิธิแสดงฤทธ์คือหมายความว่าแสดงโดยองค์เองโดยตัวท่านเองอย่างในกรณีที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระองค์คณีมานตอนที่ยังเป็นโจรอยู่ก็ไปโดยฤทธิ์แล้วก็ฤทธิ์แบบอิทธิพิธิคือหมายความว่า ระยะทางมันห่างสามสิบโชนพระเจ้าก็ไปแป๊บเดียวไปถึงละเสด็จ้ตําเนินไปข้างหน้าของโจนุกิลิมานซึ่งกบบางไล่ล่าคนที่หนึ่งพันเพือตัดนิ้วไปร้อยเป็นพวงมาลัยปจาักฐานยืนยันกับอาจารย์ว่าขาคนพบพันแล้ว หรือว่าตอนที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมะแก่พญาศัตรพยศตอนพญาศัตรพยศสำเร็จโซดาบันแล้วก็เศรษฐีบิดาก็ตามมาก็เจอรองเท้าแล้วก็ตามมาอีกก็ันเจอพระพุทธเจ้าเศรษฐีบิดาก็กราบทุนว่า พระมหาสมณะเห็นยะสะกุลบุตรเดินผ่านมาทานนี้บ้างไหมต่ า, ทานทที่ตอนนั้นยะสกุลบุตรก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้สิ่งที่มีเนี่ยเป็นไม่มีหรือหายไปคนอไม่เห็นพระองค์เห็นยสะกุลบุตรเห็นแต่ว่าต้องการไม่ ใ, ใครเห็นก็คนนั้นก็ไม่เห็น ก็ทรงใช่อิทธิฤทธิในแนวนี้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตอนโปรดภูราณาจัดินเนี่ยทั้งเจ็ดครั้งใช้อิทธิฤทธิต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอิทธิวิธีอย่างที่กล่าวทีนี้ถ้าภิกษุต้องการจะทําทอย่างนี้รับสังว่าภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในศีล มายความมาถ้าสีลเรายังไม่บริสุทธิ์หมดจดแต่ผลเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หมายความเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดกค็คล้ายๆก็เราปลูกพืชเรารุ่เงื่เช้าต้องการผลนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิดหรอกดังนั้น ศีลดึงถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วศีลที่สมบูรณ์อย่างที่บอกว่ารักษาระยาติแบใดที่เรายังเป็นสามัญชนอยู่เนี่ยยังไงศีลเราก็ไม่สมบูรณ์หรอกไม่ไม่ไม่ร้อยเเนเพราะคนที่ศีลที่สมบูรณ์มันก็เริ่มที่พระโสดบันมีศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ ตอนการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพัฒนาจิตไปก็ให้ถึงประสูบัริจิตก็สมบูรณ์ได้จะเป็นฐานรองรับการประดิษฐที่สูงขึ้นไปประนีตขึ้นไปแล้วก็ประกอบทำเครื่องสงบทางจิตของตนหมายความว่า อย่างน้อยก็ตั้งสติและลึกรู้อยู่ที่จิตมาเพ่งดูที่จิตดูวาการที่ปรากฏแก่จิตตั้งสติและลึกรู้ไปกว่แล้วถึงจุดหึงมันก็เกิดความเปลีป่ยนแปลงในทางจิตเห็นสมมติว่า เรามองในแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสมาความมาจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ให้รู้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นแล้วถ้ามีกิเลสก็พยายามบรนเทากิเลสหรือว่าเพิ่มธรรมะให้มากกิ่งขึ้นธรรมะก็ทำหน้าที่ขจัด ก, กิเลสไป หรือบางทีก็จิตไปเกี่ยวเกาะอยู่กับสุขทุกข์ต่างๆที่เรากะลังเสวยในขณะนั้นก็ดูที่เวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไปทุกข์ไปสุขเอาตรงนี้ก่อนก็รู้เห็นความเป็นจริงมมแล้วดูไปดูมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวทนามันกไม่ทียงเป็ความทุกขความสุขนี่มันไม่นิ่งอยู่อย่างนั้น มันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงต่อมนองได้ายๆอาการป่วยของคนเนี่ยลดลงทรงอยู่หรือเพิ่มขึ้นมันจะไม่อยู่ในจุดใดจุดไหนไม่ใช่ว่าใครป่วยวันหนึ่งอยู่ปกติเลยเป็นไปนไม่ได้ครับมันจะต้องมีเพิ่มหรืลดเข้าไปเป็นธรรมดา แล้วก็ดูเวทนาแล้วเราก็เห็นตรงนี้ก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแท่ของเวทนาเหล่านี้แล้วเวทนานี้เกิดแก่แก่คนอื่นทำไมเราไม่รู้สึกทำไมเราเดือดร้อนเฉพาะเวทนาที่เกิดขึ้ น, นแก่เราเพราเราคิดว่าเวทนาเราเป็นผู้เกิดเวทนา เวทนากำลังเกิดแก่เราเป็นสุกตาาเป็นทุกขต์ตราเราก็จะยึดติดอยู่ในสุขในทุกข์เหล่านั้นพอในส่วที่เป็นทุกข์เราก็มีความทุมนั้นไม่พอใจส่วนที่เป็นสุขก็จะเกิดสมนัเดียวดีใจก็ทําให้จิตใจไม่สงบไม่นิ่ง ตนก็ต้องพิจารณาจับหลักของไรลักษณ์นะครับทีนี้ข้อต่อไปก็คือไม่ทำฌานให้ขึนห่หมายความว่าในการเข้าฌานอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องระดับโลกีย์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บรรดับไปแต่ต้องการให้ฌานดำรงอยู่นานก็ ต้องเข้าฌานอยู่ื่อยหมาความมาอยู่ด้วยกำลังของฌานก็พอว่างจากภารกิจต่างๆก็เข้าสมาธิจเจริญฌานไปแล้วก็พักอยู่ในฌานเพราะว่าฌานมันเกียกว่าเป็นทิตตธรรมสุขวิหารมันทำให้คนได้รับความสุขในทิตตธรรมหรือในปฏิบัติ แต่ว่าคุณสมบัติเหล่านี้แม้เราจะได้เนี่ยเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่ใช้พร่ำเพรื่อใช้ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็แวโวงของคนบางชีก็าอาจจะมากอย่างในกรณีที่เสด็จโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัท ก็พระญาติเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายโกริยะแล้วก็ฝ่ายสักยะมาประชุมกันต้อนรับก็เป็นการรับรู้กันในเวทบงของพระญาติว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุแล้วหรือเจ้าชายที่รฐานนั้นได้ตัสรุแล้ว แต่ว่าเนื่องจากท่านเหล่านั้นมีมานะกันดั้งกันเด็เกก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นเด็กรุ่นลูกหลานสักยะโกริยะผู้ใหญ่เนี่ยก็ไปแอบจุดทั้งหลังเด็กไม่ยอมถวายบังคมต่อแสดงอาการไม่ยอมถวายบังคมหมายความว่าไม่ยอมฟังธรรมะด้วยก็ถือว่าเด็ก ตอนนี้พระเจ้าก็ใช่อิทธิพิเททรงเลื่อนลอยขึ้นไปอากาศแล้วก็เสด็จทำนองให้จงกรมอยู่ในอากาศแล้วให้เจ้าสักยะเหล่านั้นมีความรู้สึกว่ามันมีละอองจากธุรีพระบาทร่วงหล่นลงมาบนศีรษะข้างตัวเี็กก็เป็นการกำลาบนะครับหือที่ท่านบอกไว้นี่ว่า พระบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ติดฝุ่นนะฝุ่นไม่ติดไม่เหมือนกับเรานะตอนนี้ก็เป็นการแสดงฤทธิธ์ีวิธีคือแสดงฤทธิ์ตามสิ่งที่มีไม่มีตามสิ่งที่ไม่มีมีกำลบับคือกำลับคนเรดตอนนี้คนจานวนมากนะเห็นนะ หรือตอนสแสดงยมกปฏิหารก็เหมือนกันคือคนมากที่เราเรียกว่าเทวโรนะหรือก้าวลงมาจากเทวโลกเปิดในโลกสวรรค์มนุษย์โลกทั้งปวงเนี่ยให้คนเห็นซึ่งกันและกันสัตว์ในโลกเหล่า น, นั้นก็เห็นซึ่งกันและกัน ไฟในะโลกเองก็ดับไปชั่วคราวอันี้ก็เป็นทรงใช้ในแนวอิทธิวิธีหรือทรงสแสดงฤทธิ์เพื่อจะปูกฝังสถาประสาาให้เกิดขึ้นก่ชนที่มารอเฝ้าอยู่ทั้งสามเดือนได้พอเห็น ก็เกิดศรัทธาภาษาธาเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้บรรลุมากคนกันเรา่นั้นก็เรียกว่าคนมากมหาศาลทีเดียวที่บรรลุคือใช้ในกรณีเนี่ยคือใช้ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้เขาเรียกว่ากำรารบแล้วควาว่าคนที่มีมานากระด้างถือตัวจัดะะอะไรต่าง คนนี้ไปไม่รอดหรอกยากที่จะเข็นไปได้ถ้าไม่กำราไปรู้ริษยาก่อนไม่ให้เกิดความสำนึกเสียก่อนเดี๋ยวบึงดูตัวอย่างตอนที่ไปทรมานโจนองคุลิมาณอหญิงส ก, กะดดูเจ้าจงสายวิธีเปลี่ย น, ปยนแปลงจิตเขาเลย ก็พระเจ้าเสด็จพุทธดำเนินโดยปกติแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิทาพทิสังขารก็แสดงฤทธิ์นั่นแหละเดินช้าแต่ว่ามันผ่านพื้นที่ไปยาวมากไปเร็วมากก็เรียกว่าแค่การย่นแผ่นดิน เทวทาศ ก, ก็เกิดสงสัยตรงใจประเด็นแรกก็คือสงสัยว่าสมณะที่อยู่ข้างหน้าเป็นใครทำไมจึงมีรัศมีแผ่ซานออกไปด้านละวารอบรอบรอบพระเศียรก็เกิดสงสัยทีนี้สงสัยมนุษย์เราเวลาสงสัยนี่มันจะอยากรู้ อยากรู้ด้วยแล้วก็สงสัยว่าท่านเดินธรรมดาเนี่ยทำไมเราจึงไา่ไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ตะโกนถามไปตะโกนเรียกนะไม่ใช่เรียกเพื่อจะฆ่าแหละมันเรียกเพื่อจะรู้ละสัมนาจุดก่อนสัมนาจุดก่อนอุตตรสังว่าอาิงส ก, กาทศาคหยุดแล้ว เธอนั่นแหละยังไม่หยุดเอาก็สงสัยมากจริงคืนนี้พูดอย่างไงพูดเราซึ่งหยุดแล้วเนี่ยหยุดเดินนะฮะว่าไม่หยุดแต่ท่านพูดพูดถึงท่านทึ่งกำลังเดินอยู่ว่าหยุดแล้วเลอก็เกิดสงสัยก็ตะโกนถามอีกทีหนึ่งว่าสมณะท่าน ทำไมจึงกล่าวข้าพเจ้าผู้หยุดเดินแล้วว่ายังไม่หยุดแต่กล่าวถึงท่านซึ่งเดินกำลังเดินไปอยู่ว่าหยุดแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบว่าพราะองค์หยุดแล้วจากการฆ่าสาัตว์การเมียดเบียนสัตว์ประทุศรายสัตว์แต่อุณรภมาอันนัยังไม่หยุด ย่งการสัตว์อย่างเบีเยดเบีนสัตว์อย่างประทุษรายสัตว์ย่งมีมือที่ชุ่มด้วยโลหิตของมนุษย์โอเคเรมานก็รู้สึกตัวเข้าใจพระพุทธธรรมไรเดียก็ทิ้งดักนี่ก็เป็นสองเรื่องมลยสิเนี่ยหมายความมาเป็นมโนมนยิที่ด้วยเป็นอิทธิมิทธที่ด้วยแล้วก็เป็น เจตโตปริยาณคือรู้ใจรู้ความคิดขององค์คริมานไปก็ใช้เป็นจังหวะจังหวะไปแต่จะลืมว่าตรงนั้นก็มีคนเห็นคนเดียวคือองค์คริมานก็เห็นคนเดียวในกาต่อมาท่านก็บรรลุท่านก็มีฤทธิ์อย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเหมือนนกที่มันบินไปในอากาศเห็นเพื่อนบินนี่มันไม่แปลกอะไร สัตว์ที่บินไม่ได้ต่างหากที่ไปแปลกใจต่อการบินได้ของนกประการต่อไปรับสั่งว่าพิสูนทั้งหลายถ้าพิสูจนจะปรุงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์อันนี้ก็ที่ประโสดนะหูทิพ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพด้วยทิพโสตอันบริสุทธ์ล่วงโสตของมนุษย์เดิดังนี้นี้ก็ต้องการให้เกิดทิพโสอหูทิพสิ่นี้การที่คนจะหูทิพในกิเลสมันต้องสงบถ้ากิเลสไม่สงบโดยโลกวุ่นวายนะครับ มีคนหูทิพส์สคนตาทิพส์สคนในโลกวุ่นหายแล้วคนหูทิพตาทิพ์เนี่ยก็จะมีคนพยายามยื้อแย่งกันเพื่ออาศัยหูทิพสตาทิพ์ของ ท, างท่า น, นัวเนี้ไปใช้ประโยชน์สามารถกาห น, นดฟัง เสียงคนคุยกันที่นั้นที่นี้ที่โ น, น้นรู้ว่าก็คุยได้ยังไงคุยเรื่องอะไรกันหรือว่ามีตาติปก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่เกิดแก่คนที่จิตยังมีกิเลสอยู่แม้แต่ยังมีนิวรณ์อยู่นยก็เกิดขึ้นไม่ได้กุเกิเลต้องสงบไปแล้วเวลาใช้ก็จะใช้บวก ใช้ไปในทางสั่งสรรค์ใช้ไปในทางพัฒนาเช่นพระพุทธเจ้าก็จงสดับเสียงคุยของภิกษุในอยู่บ่อยที่สุดก็มีสถานที่ที่ประชุมกันภายในวัดเราก็ประชุมกันแล้วก็สนทนากาัน ทีนี้พอคนสนทนาการเนี่ยส่วนมากมันจะไปออกนอกเรื่องนอกราวออกนอกเรื่องนอกราวถ้าออกนอกเรื่องนอกราวหรือว่าข้องใจสงสัยมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวหาทางออกไม่ได้พระเจ้าก็จะเสด็จไปพิสุจกจราระูนรัตนาให้พระเจ้าบรรทัดนา แล้วพระเจ้าก็จะรับสั่งถามว่าคุยเรื่องอะไรการเรื่องอะไรที่หยุดคุยไปเนี่ยพิสุทั้งหลายก็จะกราบทูในสงสารแล้วก็จากนั้นท่านอาจจะถามเองหรือว่าพระุ้งเจ้าจะรับสัรงเรื่องนี้เคยมีมาแล้วเคยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วแล้วพิสุก็จะกราบถูถามพระเจ้าก็จะส่งแสดง แาวพวกเหตเกิดของชา ด, ดกทั้งหลายนี่มันจะเกิดแนวเนี้ยนั้นก็แสดงว่าใช้ทิพ ป, ปโสดคืออูทิปแต่ใช้บวกเพื่ออนุเคราะห์แก้ปิสุตตทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ถ้าพอได้ยินปรากฏว่าพระอยู่ในลู่ในทางเรียบร้อยพุยไม่มีปัญหาอะไรก็พระองค์ก็ไม่เสดยเล ถ้าจ ะ, สะเสด็จก็สเสด็จไปแก้เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ภิกษุเ ร, ราทั้งแต่อุทิศมันเป็นผล ม, นมันเป็นผลในเครือของนิโรธนะเจอแม่คนที่ยังไม่บรรลุได้ไม่ไม่ได้นิโรธคือดับทุกอย่างสิ้นเชิงดับทุกกับกิเลสอย่างสิงเชิงก็มีได้อย่างที่บอกแต่ว่าต้องมีเป็นอภิ ญ, ญิาที่เป็นโลกิยา ถ้าได้ปัญญากิเลสมันก็สงบนะครับท่านก็ไม่ใช่ไปในทางลบหรอกก็จะถูกใช้ไปในทางบุกว่าแนวพวกเหล่านี้แม้แต่เรื่องอะไรที่ก็ทำกันที่คนโบราณเขาเขาปฏิบัติกันก็ทำกัน อย่างน้อยที่สุดเด็กเขาก็ต้องได้สมาธิสักระดับหนะึ่งอย่างน้อยก็อุปจารสมาธิจึงมีผลสลําเร็จที่พิเศษเกิดขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ทรงสอนก็เหมือนเดิมคือจะไปเดี ง, ง่ายๆนะฮะไม่ไม่ต้องแปลเอาคำเต็มคำหรอกคือพูดง่ายว่าศีลสมาธิปัญญาต้องเจริญไปตามหลักของสี่สมาธิปัญญา ประเด็นต่อไปเป็นข้อที่สิบสี่รับสั่งว่าถ้าพิสูจนจะพึงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือหมายความว่าใจของคนในขณะนั้นเนะี่ยคิดยังไงก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณนะนั้นนะ เจงกนนี้จิตกำลังมีราคาหรือจิตไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นรู้ว่าจิตโอดถูก็รู้ว่าจิตโอดถูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหา ก, กตะคืออยู่เนื้ออำนาจของกิเลส ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นมา ก, กัตตะหรือว่าจิตยังไม่ได้ได้สมาธิที่หนักแน่นพอก็รู้ทีนี้การรู้อย่างนี้มันทำให้การสอนธรรมะการแสดงธรรมะมันก็วางน้ำหนักได้วางน้ำหนักของธรรมะได้ ว่าคนนี้ราคะจัดคนนี้โทสะจัดคนนี้โมหะจัดถ้าจะเทศแต่มันเกิดประโยชน์มันก็ต้องนําความต้องใช้รูปธรรมเข้าช่วยใช้รูปธรรมเข้าช่วยเช่นว่าทรงสํารอกความกําหนัดในร่างกายตนของหลายท่านนะฮะคือ พระเขมาเทรีปิกษุนีแล้วก็พระรูปนันธาพระนันธาพระอภิรู้จักอภินันธาสามองค์นี้เป็นพยาคของประงคสวยๆทั้งนั้นลงรูปทั้งนั้นติดในรูปกันตัวเอง พระพูทเจ้าก็ทรงใช้แนวเดียวกันก็คือใช้รูปนิมิตปีติสำเนตด้วยจิตให้ปรากฏเป็นรูปร่างของผู้หญิงสวยอายุสิบ้าสิบกเท่า น, นั้นเองแล้วก็ยืนถวายงานพัดพระองค์ถ้าเขามาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นคนอื่นไม่เห็น พระเกศมาพระรูปปนันฑาพิรูปปัณฑาเนี่ยปัณฑาก็เห็นพอเห็นปภาพเนี่ยคนตรักสวยรักงามใจก็ไปจับอยู่ที่รูปแบสวยจริงเสร็จแล้วก็นํามาเทียบกับตัวเองเออตัวเองคิดดีคิดดีกว่าทั้งเจ้าผู้หญิงคนนี้นสวยจริงพอจีเริ่มจับจอเนี่ยเริ่ม จ, จิตจิตเริ่มจับจอ พระเจ้าก็ทรงสแสดงความเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างของภาพในมิตรเหล่านั้นไปโดยลําดับแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแกอย่างรวดเร็วมากเพราะนั้นพระพายกำพัดเหล่านั้ น, นก็สลดไปเรื่อยๆสลดไปเรื่อยๆและจนะภาพผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นหญิงแก่อายุร้อยี่สิบปี เกิดโรคภัยข้าเจ็บเบียดเบียนทุกทรมานดิ้นรนี๋ยวก็ล้มโครมลงไปแล้วก็เสือร่ร า, รางกายก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้ น, นจนถึงจุดหนึ่งก็เริ่มสลายแยกมิน้ำนองแฝอากาศก็เริ่มแยกออกไปก็ยังเหลือแต่กระดูก ต่อมาไปปลูกเองก็ปลูกรลอดปลูกปลอดไปจนถึงก็เป็นผมหายไปเลยแล้วก็ทรงสอนให้ท่านเหล่านี้ทั้งสี่ท่านนะเดี๋ยวคนละต่างกรรมต่างวารรค ก, กันนะฮะคนละคราวกันก็ขอให้ทิจนาให้เห็นว่าร่ ก, กายนี้เป็นของปฏิกูณได้ตทางไหลข้าวเลยหลยออกของสิ่งปฏิกูล ในช่องทั้งเก้าเนี่ยฮะช่องทั้งเก้าที่ปรากฏอยู่ในร่างกายเราเนี่ยช่องปฏิกูลทุกช่องก็น่ารังเกียจน้าขยะขยงเพราะฉะนั้นมกายของท้าเหล่านั้นเป็นชันใดกายของคนแก่นี้ก็ชันนั้นกายคนแก่นี้ชันใดกายของท่านทั้งหลายก็ก็จะเป็นชันนั้น และเราจะเห็นว่ามันไปสำรอกสารอกการมราคะที่ยึดติดอยู่ในตัวเองก่อนแล้วก็ไปยึดติดในภาพนิมิตแล้วก็คิดพิจารณาเทียบเคียงจนมองเห็นว่าตนนี่อดนอนอกว่าเดาในที่สุดท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรุ่เป็นพระหา n h ทีนี้หรือหรือในในในการขจัดโทสะยกตัวอย่างว่าขจัดโทสะเช่นพวกรามพวกภาลัวทวชโคตรหลายท่านสามสี่คนปี่น้องก็โกรธพระพุทธเจา้าไม่มีปีมีกรฮยทะเลาะ ก, กับเมียแล้วก็ทำอะไรเมียไม่ได้ก็มาโกรธพระพุทธเจา้าเพราะว่า ปัญญาของท่านเหล่านั้นไปนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันนอนไม่หลับคิดไหมจนมาถึงหาข้าวพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรเสีได้จึงไม่เศร้าโศข่าอะไรเสได้ไไจดึงอยู่เป็นสุขพระองค์ทรงสรรเสริญการฆ่าอะไร ปุ้ยญารับสั่งว่าฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เาว้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงนอนเป็นสุขรงทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษแม้จะมียอดหวานก็ตามแต่ก็มีรากเป็นพิษแล้นแกก็รู้ทันทีตัวการที่แกโกรธมาตั้งแต่รางวัน โกรธมาตั้งแต่กลางวันจนมาถึงรุ่งเช้าเนี่ยก็ทั้งหมดเป็นเรื่องโกรธทั้งนั้นนอนไม่หลับ ก, ก็ปพรา่กิดโกรธแล้วก็จากบ้านมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาด้วยความโกรธทั้งหมดมันก็เกิดมาจากความโกรธพรละเอียดตัวปริญาเนี่ยเนี่ยคือทำให้รู้ทั้งใจเราทั้งใจคนอื่นนะครับ หมาความ่าถ้าเราไปจากใจของเราเราเห็นชัดมีราคะาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะสรุปง่ายๆว่าถ้ามีกิเลสก็พยายามลดละบันเทาให้จางคลายออกไปถ้ามันอยู่ที่ธรรมะก็พยายามพัฒนาเพิ่มปูนขึ้นไปดีเลยย็แนวจริงๆก็คือแนวอะไรล่ะปะหาหนาะ อาาปาทานเปลี่ยนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจให้เสื่อมจางคลายไปแล้วก็ภาวนาประทานภาวนาประทานเปลี่ยนพยายามเพิ่มภูมมูลกุศลให้เพิ่มภูมมากยิ่งขึ้นตำหรักของสมมอวยาม่านั่นเอง นี่ก็เป็นเป็นเจโตปริยานนะฮะเป็นเจโตปริยานประการต่อไปก็รับสั่งว่าคือคือคือธรรมะที่จะต้องปฏิบัตินเหมือนเดิมชุดเดิมแต่ข้อต่อไปก็คือปุเพนวาสาัสสติญาสั่งว่าถ้าทิกสุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นนั่นมาคือพึงระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติก็ว่าไปเรื่อยยาวละเอียดไปเล ย, ย รู้รายละเอียดในแต่ละภพแต่ละชาติเ่านั้นว่าในภพนนทนเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุกสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นทั้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพนนทนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้น มีผิวพรร์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุกสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติได้เป็นนั้นมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งภูเทศด้วยประการจะนี้เถอะ นี่หมายความการระลึกชาติเขาเรียกว่าเป็นนิเทศแห่งภูเพนวาสาัสดนายานหมายความการอธิบายขยายความลักษณะของภูเพนวาสาัสดนตฏยานในการระลึกชาติได้จะทรงสอนว่าถ้าต้องการต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวเหมือนกัน ประการต่อไปนั้นก็ความหวังข้อที่หก็จริงๆก็คือจตุปาปยานัดสั่งว่าถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีพิวพรร์ดีมีผิวพรร์สามดได้ดีตกยากด้วยที่เป็นจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษ พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีญาทุจริตมนษย์ทุจริตตีเตียนพระพุทธเจ้าตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเขาจะเข้าถึงอบายทุกปติมินิบาตรโรคกสุรกาย ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยสุจริตคือวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนเร่ยเจ้าเป็นสมาธิชิยึดถือการกระทมด้วยอำนาจสมาธิิเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้แล้วก็ในที่สุด ก็ส่งแสดงเหมือนเดิมว่าถ้าต้องการอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัตินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเหตุที่จะให้ได้รับผลนั้นต่างกันไม่ใช่เหมือนกันแต่ว่าคนที่เกิดนั้นจะมีความหลากหลายแต่มีฐานร่า ง, ง้งาเดียวกันคือหมายความว่าถ้ากิเลสมันลดมากก็มันจะมีอยู่ในขั้นต่างๆขั้นที่สูงขึ้นแต่ลดน้อยๆมันก็อยู่ข้างต้น ก็ไต่อันดับมาเราเห็นถึงว่าความแตกต่างทางจิตเนี่ยมาอยู่ที่กิเลสกิเลสมากหรือกิเลสน้อยถ้ากิเลสมากไ อ, ส อ, ก อ, กไ อ, กอ้สิ่งที่เราปรารถนาเองก็มีโอกาสได้น้อยแต่ถ้ากิเลสน้อยสิ่งที่เราปรารถนาเองก็มีโอกาสจะได้สูงขึ้นฮะแล้วก็มากขึ้นก็ไตระดับขึ้นมาเรืเร่อยๆ จนมาถึงระดับที่สิบหกเป็นจุตูปปาติยานคือพยาญที่ทาให้รู้จากการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในข้อสุดท้ายหรือข้อที่สิบเจ็ดความหวังที่สิบเจ็รับสั่งว่าถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตมุตปัญญาวิมุตตัญหาอสศวะไม่ได้ เพราะราสะะวะาทาั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาเิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เถอ ด, ดังนี้เอ่อนี่ก็คือคือการหลุดพ้นเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็เรียกว่าเจตวิมุตตคือหลุดพ้นด้วยเริ่มต้นจากศีลสมาธิปัญญาไปทีนี้ถ้าหากว่าเป็นปัญญาวิมุตตเนี่ย มันก็หลุดพ้นด้วยการจเจริญ ม, มีศัสะนาล้วนแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติมันก็จะมาทางศีลสมาธิปัญญาเนี่แหละหรือแม้จะเริ่มที่ปัญญาก่อนแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุพวกศีลก็ต้องสมบูรณ์สมาธิก็ต้องสมบูรณ์ปัญญาจึงจะสมบูรณ์ได้ ก็ทำให้ท่านปเป็นพระหันสองประเภทคือไปจบที่หมดอาสวะด้วยกันตังกรรมมาสวะภวะสวะวิชาสวะอย่างที่เราเคยเจอมาแล้วนี่ก็เป็นการแสดงเหตุผลเราคนเราามปกติแล้วเราก็ทั้งความปรารถนาอะไรกันเยอะมาก อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ว่าจับทางไม่ได้จะทางไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ได้สิ่งนี้อะไรเป็นเหตุให้ได้สิ่งนี้ที่จริงถ้าเรามีโลกธาตุที่ชัดเจนเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องสลับซับซ้อนอะไรจะยากก็ในภาคปฏิบัติแต่ในภาคการวินิจฉัยตัดสินเนี่ยมันไม่สลับซับซ้อนอะไร เรากระไก็ๆๆเราอยากจะได้ผลมะม่วงเราก็ต้องปลูกต้นมะม่วงแต่จะปลูกอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ผลมะม่วงแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะปลูกพืชในน า, นาชนิดต้นใดก็ปลูกบนดินบางชนิดอาจจะต้องปลูกในน้ำ แต่ส่วนใหญ่เราก็ปลูกบุดีก็หมายความว่าไอเหตุผล น, นี่มันอยู่ด้วยกันแต่เราเข้าใจผลว่ามันมาจากอะไรเราก็ประกอบเหตุแล้วผลเต่านั้นก็จะเกิดขึด้ตนตรนั้นก็จะสมหวังตามที่ตัวเองหวังผลนั้นจะเกิดเร็วเกิดช้ามันก็อยู่ที่เหตุที่เรา ไ, ได้ประกอบกระทาลงไป เพิฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาไม่แต่เลยสี่ปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้เพราะความจะเริญงนอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี